นมวัาปะคะวโตโอรหัตสัมมาสัมพุทธัารนโมรัดาปะโวโตโอรหัตสัมมาสัมพุทธลานโมรัดลาปะควโตโอรหตะสัมมาสัมพุทธลาะบานี้จะได้วิสัจฉนาพระธรมเทศนาของพระภูมิปทาเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสงเสริมศัทธาความเชื่อและวิริยะความภาพียรองสันทั้งหลายทเป็นพุทธบริษัทให้เจริญนอกนาคหน้าในทางแห่งศาสนาของเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พุ่งของสัตว์ทั้งหลาย ากาได้ดยุติลงในเวลาธรรมเทศนาเรื่องในการข่าวัญจาเช่นวันนี้นั่นเป็นธรรมเทศนาที่มู่หมายจะให้เกิดความให้สมาธิแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นกุทธบริษัทธ์ทั้นจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาตามลำดับแล้วแต่วันก่อนๆในวันนี้ก็ยังเป็นธรรมเทศนาที่มีความมุงหมายอย่างเดียวกัน <c oughs> คือว่าต่อการจัดกันสานี้เป็นเวลาที่พุทธบริษัท์ตั้งใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดปฏิบัติของตน ไม่ดีเป็นพิเศษให้จำเป็เสมอเป็นพิเศษสมกับที่เป็นวันท่าวัษาอย่างว่าบางคนแยกสมาทานการพูดน้อยให้ตลอดพรรษาแม้เทียงตอนนี้ก็ยังเป็นการดีเพราะว่าคนส่วนมากที่พูดที่ทำทางพูดคำเพือ่อไม่รู้จักมันในญาติในการพูดนัง่งฟังธรามไปยังพูดคุยแข่งกั น, นต้องการแสดงทํานี้ก็ยังมีนี่ก็เรียกว่าแห่งที่รียนตงกามากเกินไปจะต้องตั้งใจสืบผนให้เป็นพิเศษด้วยคือการควบตัวเอง ที่อยู่ในขอบเขต้องธรรมะและวินัยจะได้เห็นว่าแม้แต่การดังกลับตัวเองพูดน้อยนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลยคนที่ไม่รู้จักการดัับตัวก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องมากอะไรเป็นเรื่องน้อยคนที่พูดพูดทำเพื่อพูไม่รู้จักกาลเทศะนั้นอันกะแสดงอยู่แล้วว่าเป็นผู้ไม่มีสติปัญญาคือเป็นคนโง่นี้ก็เป็นกิเลสที่เรียกว่าหาโมหะเดี๋ยวนี้พุทธวัิจัทในพุทธศาสนานี้จะต้องเป็นผู้มีแสงะว่างมีความรู้ความตื่น จากหลักเกิดความเบื่อบาน <c oughs> ถ้ามีมาาาโมหะความโกความหลงอยู่ก็ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเพราะามันเป็นสิ่งที่ตร ง, งข้ามดังที่จะเห็นได้ <c oughs> ว่ามันตรงกัข้ามอย่างไรดังนั้นคามที่ตั้งใจพอตลอดพรรนานี้จะสมาทานวัดอย่างไดอย่างหนึง่งให้ครบควรบริบูรณ์ในสมัยสมอนั้นเป็นการทุขุพูลดั่งดิ้งสาหรับในวันนี้ <c oughs> จะได้ญไปสแสดงในเข้าธรรมะข้อหนึง่งซึ่งเป็นรุทธภลาสิทิ์ว่าผู้มีปัญญาต้องสัญหา ความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ขอใท่านทั้งหลายทุกคนลงสั่งจิตอธิษฐานในการที่ว่าจะประบัติปฏิบัติให้ตลอดศึกษานิโดยหัวข้อที่ว่าจ ะ, สะแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายลงฟังดูให้ดีถ้าฟังดูไม่ดีก็จะไม่เห็นด้วยในหัวข้อที่ว่าเราจ ะ, สะแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คนมันโงโ่มันก็เห็นว่าจะเป็นทุกข์แล้วก็มไม่มีทางแก้ไกขมีความสุขกับความทุกข์นี่มันจะมาชาติแทนกันไม่ได้ แต่ผู้มีปัญญาหาเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะไว้หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์นี่มันก็เป็นพ้นทางที่ดีหรือดีมากอ่าดีเดียว <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีความทุกข์น้อยเท่าหรือถึงกับไม่มีความทุกข์เลยแต่ถ้าฟังไม่ถูกฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> และเชื่อเรคงจะคิดเสียว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะาคนโง่ทั้งหลายยั้อนในสิ่งที่หวังไม่ได้หรือไม่ควรหวงังยกตัวอย่างเช่นว่าข้าวหนึ่งไม่ถูกได้แค่ ในสิ่งกุนลเรื่องฉังนมีบอกเขาว่าความเจ็บไข้ตอนให้เราเป็นคนฉลาดบางเจ็บความไข้เกิดขึ้นแต่เราเพื่อมาสอนเราให้เป็นคนฉลาดคนจะไม่เข้าใจก็ล้อเขาเขาไม่ต้องการความเจค็คไข้เขาต้องการลับอย่างยิ่งที่โกนมระดาษความไม่เจ็บไม่ไข้อานพุทธาสิทขึ้นมาว่าอโรุภยาธรรมาลาาความไม่มีโรคเป็ยอดแห่งลาบนี่เป็นคนโง่ ภายบ้านที่ว่าอยู่ในโลกนี้นะจะไม่เจ็บไม่ไข้ที่ปัญหาเรามีว่ามีความเจ็บความไข้เกิดแล้วจะต้องทําอย่างไรันจะต้องมาเสียใจมานั่งบนนั่งเพอ้อว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปถึงเขาแล้วบานก็ไปร้องไห้กระตับกระใอย่า <c oughs> งนี้เรียกว่าคนโง่โง่เพราะไม่รู้จักการรับความเจ็บไข้ <c oughs> ให้กลายเป็นของขี่ไม่ทําอันตรายนี่จึงได้กลา่าวไว้ให้เป็นหรักปฏิบัติว่าความเจ็บไขยนั้นมันมาสอนเตี่ยลาศ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีความเจ็บไขกัน เ, ยนเลยจริงๆจริงๆ คนก็จะเริประมาทยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งที่มีความเจยย็บไข้บ่อยๆเป็น <c oughs> เป็นคนประมาทถ้าไม่ประมาทมันก็จะได้รับผลประโยชน์จากการทำหรือว่าจากการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แต่ถ้าประมาทจะได้รับประโยชน์จากอะไรเลยจะยรับเแ็่โทษของความประมาททนั้นที่เรามเจ็บไข้มาเตือนให้ไม่ประมาทกระทั่งมาเตือนให้เราฉลาดว่าสิ่งเหล่านี้มันต้อเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องทําอย่างไรถึงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ ทำทุกอย่างลำบากทั้งหลายถ้าเราได้จับตอนรับเอานั้นเปการเป็นสิ่งที่ทำให้เราฉลาดขึ้นยิ่งอินขึ้นทุกทีเ้า <c oughs> ดูโดยตัวตไปก็ปจะเห็นได้ว่าการที่มนุษย์รู้จักทำอะไรให้เก้าวหน้าดีดีขึ้นสวยขึ้นนี <c oughs> ่ก็เพราะว่า ม, มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนจึงในที่แก้ไข จ, จึงตลาดในการที่ทําอะไรให้มันดีขึ้น <c oughs> น่าจะจะขุดรู้อยู่ถ้ามันมีความมันไร่ทประโยชน์ส่วนไหนก็ที่แก้ไขให้มันดีขึ้นจนรู้จักทํา่างเพิื่อนทำกระท่อม ทำบ้านทำเรือนทาติดอยู่ร่วมแต่ประสบในความยากลำบากอย่างไดอย่างหนึ่งมาตอนแล้วจึงคิดแก้ไขทั้งนั้นเมื่ความเจ็บค่ายนี่ขมเือนกันนั่นนั้นจะมาตื่นให้รู้ร่วมหน้าว่าจะต้องอย่างไรถ้ามันเกิดเจ็บค่ายมากกว่านี้หรือมันจะต้องตายลงไปจริงก็จะส้ามาถความจิตใจได้ถูกต้องในการทุกครอบมากเนไปเมืเจ็บ่ายที่ไรต้องรู้จักคือเอาความสลาดรู้จัพิจารณาะรู้จักสลัด่อไปด้วยสติปัญญาเม่วาการฝึกัดจิตใจให้แข็งแกร่ง ในความทุกข์เพียงเท่า น, นี้คไม่ได้หรือเินไปเป็นความทุกข์เช่ี้ไหนก็คอรคอบงไม่ได้เมื่อเราคิดเป็นอย่างนี้ความเามจ็บ ไ, ไข้มันก็เดาไขไปแล้วความเจ็บไข้นั้นมันหนักมากเป็ออนกับเป็นาตายซึงมีทางจะ่คิดได้วามั้มันเป็นอย่างนี้เองควาเป็นอนิจจังทุกขันอนัตตาขันธขทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เองพัฒ น, น, นาถึนข น, น, นาดนี้แล้วความทุกข์หรือความเจ็บไข้หรือความตายชีิไหนก็ไม่มาทาให้หรือรอดได้หรือคุณจะรอดยอดได้นี่เรียกว่าเป็นภูษารเป็นที่ในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไา้ นี่เป็นหลัหลกสำหรับพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเอาชนะความทุกข์ที่นี้ก็จะย้อนกลับไปหาหัวข้อสำกัญที่ว่ารู้จักตัวนั้นนะความสุดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าครานี้มีทางที่จะอธิบายได้มากมายหลายระดับและที่ตสำคันที่สุดก็คือเรื่นความเป็นทุกข์ของทัานในบทพิวัาน์สเปชั้งขาลาทุกขาสังขานคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งกลนทุกชนิดเป็นทุกข์ หรือว่าเป็นจตคันมันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี่เป็นความทุกข์หรือว่าตัวชีวิตนั่นนันเป็นความดดทุกข์อยู่ตามธรรมชาติที่นี่เราจ ะ, ะวหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์นี่ได้เห็นอไรสติปัญญาของคนธรรมดาคงจะทําไม่ได้จึงต้น อ, อา ศ, ศัยสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากพอที่จะทำให้สามารถแสวหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ด้วยสติปัญญาสูงสุดกันนี้เอง พระองงได้นานว่าพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าดังนั้นก็ไอเราทุกคนลองพยายามคิดนึกศึกษาตามที่พระองค์ทรงสอนไว้เพราะรางกายจิตใจชีวิตนี้เมื่อป็นตามเรื่องเราของคนทีม่มีความรู้มันก็เป็นทุกข์แต่ผ้าใพิจัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาเสาะหาเอาแต่แง่แต่มุมที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ลองว่ามาดูว่ามันมีอย่างไรบ้างข้อแรกกีเดีย ว, วเราไยินไังกันอยู่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ข้าวโซพลายล้มพันทุกขโมนัดปลายลาตานี้ก็เป็นทุกข์กระพกกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์พัดหลัจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ศาสนสิ่งใดรักไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์หลุดานแล้เป็นจารย์ที่มีความชานเป็นตัวทุกข์ที่คำพูดเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์มีอยู่อย่างนี้เป็นหลักพูดอะไรในประพุทธศาสนะต้องเกิดเป็นทุกข์แล้วทําอย่างไรเราวก็ต้องศึกษาเรืองความเกิดถ้ามีความเกิดแั้วไมมีอะไรจะศึกษามันต้องมีความเกิดมาให้เราฉะนั้นเราเป การศึกษาไมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเกิดนี้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถจะทําให้ความเกิดนั้นหยุดเป็นทุกข์หรือเพื่อนราไม่มีความเปิดเอาซะเลยทีเดียวศึกษาจนรู้ว่าไม่มีธาตุบุคคลตัวตนเราเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่สภาวะธรรมชาติล้วนๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วได้ความรู้ความเข้าใจถึงขนาดนี้แล้วความเกิดก็หมดความเป็นทุกข์แล้วก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความไม่เป็นทุกข์หือความสุขไม่วาจะเป็การไถ่ลาจะเป็นการกถทลาอย่างไหนก็ตามใจถ้ามีปัญญาพอตัวจะชอบเป็นขึ้น มือสำหรับศึกษาเป็นบทเรียนสรับศึกษาให้รู้ว่าความแก่มันเป็นอย่างนี้เองนั่งกมาตอ่อใเราจะลาบเ้วยกันเนกันอยากมาให้รู้ว่าสังขารทึงร้ายมันเป็นอย่างนี้สหาวเราเล่าได้ภาษาภาษาพุทธธรรมะนาทพ่วะไม่มีความายึดมั่นถือมั่นโดยประการทังปวงแล้วความแก่ก็ไม่มีความหมายไม่ทาอันตรายแก่บุคคลใดไม่ใชแก่นุกเดินไปไหนไม่ไหวมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความทุกข์ใจสมองไปหน้าไหนก็ได้นันเป็นของธรรดา เป็นไปตามธรรมดาแต่รู่อย่างนี้แล้วก็ไม่จเป็นพุบไปฉลาบในเรื่องของขัขอ ง, ของธาตต้องอาศัยตระนัก้วยขอธรรมชาติทั้งร้ายทั้ ง, งตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ า, าแาก่ไม่มีมาก็ไมมีทางแต่รูปอย่างนี้ทํเจ็บ ไ, ไ้ายงี้พันอีกหืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นตัวอย่างนั้นจ็พไทุกทีก็จ้องฉลาบเป็นทุกทีแต่ถ้าไม่ใช่วิธีนี้เจ็บไาทุกทีก็ยิงโง่ก็ทุกทีิ่งทุงกง่ายมีความทุกข์ง่ายเป็นทุกทีจนหมดกาลังใจใ ี่นี่ประมาณความตายความตายนี่เป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็ว่าตัวคนยึดมั่นถือมั่นว่าความตายนี้ของเราความตายยังไม่ทำมาถึงก็มีความทุกข์เยอะประมาณโดยมากคนเรามีความทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่มาถึงแทบจะบนั้นมายควา่าคิดเอาเองมันมิตกเอาเองยึดมั่นถือมั่นเอาเองเป็นความทุกข์มากมายมหาศาลจากสิงที่ังไม่ด้เกิดขึ้นเพราะถึงตาิทายไปจริงๆห้มีเวลาที่จะไปคิดนึกมากอย่างนั้นไม่ มีปัญหาเรื่องความแก่คันเจ็บความตายเป็นปีปีรวมหน้าที่เมล้านนาตายก็จริงแม่ดีนาจีก็ตายได้อาการอย่างอื่นอีกหลายอย่างก็เหมือนกันที่เป็นปัญหามากที่สุดคือความกลัวหรือความไม่จกกังวลคนคนหนึ่งก็มักจะมีเรื่องในเรื่องหนึงซึ่งเอามาสำหรับกลัวหรือสำหรับวิตกกังวลมันจะทนธรมานไปทุกวันทุกคืนโดยที่ถ้าเรื่องินนั้นยังไม่ด้เกิดแต่มันเกิดเพราะความคิดมายึดถือจนเป็นที่ตั้งแห่งความวิตกกังวลหรือความกลัวเป็นต้นโดยเพราะเรื่อง พายออกกลัวเหตุการณ์อันตรายพายนอกกลัว อ, อยากกลัวจนครูอะไระตามอามาคิดกำลังกลัวได้มากโดยที่ไม่จริง <c oughs> ถ้าอยอามาคิดกำลับกลัวหรือวิตกกังวลคิดไ ป, ปนในทางที่จะทําการทํางานให้รุ่งร่วงไปอย่างไรให้สนุกสนานไปซึ่งยังจะดีกว่าเพราะการว่าเรื่องอะไรๆที่มนุษย์รู้ดึกเป็นตุกรู้ ก, กลัววิตกคนทรมานอยู่นี่ <c oughs> เป็นเรื่องที่ไปอามาคิดด้วยความตํางัาผิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นท่านนั้นอจะคิดไปมายว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามใจ เราจะทำแต่สิ่งที่ควรทาที่ต้องทำในหน้าที่ของตนเป็นประจำวันโดวยที่ว่ามันจะตาลงเดือนนี้ก็ได้หน้าที่ทำงานหรือเดือนนี้ให้มันตายลงไปก็ได้าำไมต้องไปกระวนกระวยแบบนั้นที่จะต้องมากลัวความลุ่หน้าเจ็บรัวคนร่วงรั่ัวร่วงควายควาเจบัวจนปวดูัได้รัวความวิตบัตต่าง ๆ, ๆนานามันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันไม่กลัวเสียเลยจะดีกว่าทาได้เกิดขึ้นแล้วก็อมาเป็นเครื่องศึกษาให้รู้ให้ถูกให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องใ้เจริกขึ้นหลัสจะไม่ต้องทุกข์นี้ไม่ต้องมีความท ที่เรียกว่าอะไรที่ก็คือกัว่าเป็นความทุกข์ถ้ามาเกิดกัเราแล้วเาอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใจ ก, กรไดเราอาศัยสติสัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรที่เกิด บ, บ่อยๆหรือมีอยู่เป็นประจำเป็นความเจ็บความค่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแห ล, ละเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แทนที่จะมาเป็นเพื่อนรบกวนความสงบสุขเปลี่ย น, นให้ถึงื่องที่มาช่วยให้ฉหลาดสําหรับในกาจัดความทุกข์ที่นี้เปรียกว่าอยู่ใน ประเภทอีกและหาความสุดด้านจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเหมือนกันขอความต่อไปที่ว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นทีละเป็นความทุกข์ที่ดูจะเป็นคนโง่มากน่อยถ้าพอมันโง่ทีแรกก็คือไปรักสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของธรรมชาติเรามาเป็นของตนอํา น, นาจของกิเลสคือความโง่มารู้แต่ว่าความรักนี้เป็นความโง่ชนิดหนึ่งแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ตรงนี้ เกิดวบิบา ร, รักแต่ของรักก่อไม่ถึงเป็นทุกข์แต่สุขภาพตัสิ่งที่ไม่รักก็อไม่ถึเป็นทุกข์ถ้าเมื่อเราไม่มีความรักต่อสิ่งที่ไม่รักมันก็มีไม่ได้นีา <c> ย <oughs> เป็นสิ่งเป็นความกลางกลางไปหมดนี่ด้วยวิธทีที่ทำให้โลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์แกบุคคลผู้มีสติปัญญาของศาสนาสัจธมตั้งเจ้ามาเป็นเพื่อนคุ้มครองทั้งหมดนี้ตามที่กล่าวานี้เป็หลักาาใหญ่ในพาาาระพุทธศาสนารูปภูตงความทุกข์ก็หมายถความทุกข์ที่เกิดมาจากเป็นเจ้วยอปาขาน เราเป็นรู้จักเก็บรู้จักลาบรู้จักสังเกตเป็นทุกที่สลับเป็นทุกทีไม่ใช่เป็นทุกที่ยิงโง่เป็ทุกที่ยิงขาอถอยยิงหมดกำลังใจเป็ทุกที่มีความทุกข์ที่ไรเราจะจับถือเอากาไรให้ได้จากความทุกข์นั้นมันทุกข์มากจะหยิบรงความรู้ได้มากไม่มีกำไรมากถ้าแต่ความทุกข์มันจะมีมาในลักษณะไหนหรือขนาดไหนยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งดีจะได้รู้ความจริงเกี่ยวข้บเรื่อนี้มากเมื่อไปในนี้แล้วไ้ออะไรก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์ความทุกข์เข้ามา ให้เป็นความสุขไปชได้เป็นคาถาอาคมอะไรชนิดหนึ่งซึ่งก็เกิดที่สุดสําหรับมนุษย์คือสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ทุกอย่างได้ให้กลายเป็นความรู้กันให้กลายเป็นความสามารถบ้างเในโอกาสขอการเข้าคราษาเป็นนี้แล้วก็จะเอามาจากกับเท่ากับสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำวันแล้วจะมีความทุกข์เพราะอะไร <c oughs> ก็จะต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียน ถ้าเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นควา ม, มทุกุบ <c> แ <oughs> ม้แต่เล็กเล็กน้อยน้อยที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําวันอย่างนี้เราจะต้องรู้จัเกเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มันมีปัญหาอย่างเดียวกันเช่นว่าสุนับใ น, น ห, ห้องหัวหูถ้าให้ไปโกรธน้าคนนั้นมันก็บ้าเองถ้าโกรธนั้นก็เป็นทุกข์ยันอยู่แล้วจะไปคิดอะไรมากไม่ไปกว่านั้นอีกมันก็นความทุกมากกว่านั้นนั่นทำอย่างไรจริงแต่ไม่ต้องเกิดอาการที่ไม่นา่าปรารถนาเป็นนะี้ เพราะวาเราจะไปห้ามไม่ให้สุนัขถอนน้นมันกรงําไม่ได้ท่า น, นคิดเป็นทางดี่ว่า้ เ, เสียงถอนของสุนักนี่นั่นจะช่วยทําให้มีประโยชน์ในการกินมาบ้างอย่างนี้จะดีกว่าถ้าแต่จะมีปัญญาคิดเอานี่ปัญญามากก็คงจะคิดได้มากไปถือเอาประโยชน์นี้ได้มากามันถ อ, อ, อ, อนเพราะกิเลสมันก็หนักหรือว่ามันมันถอนเพมันเป็นไปตามธรมธรมชาติคนเรานี่มีอะไรแตกต่างกับสุนักถ้าเราเป็นคนที่ถอมได้คงจะถอนมากกว่าสุนัข เี๋ยวนี้เรามีการถอนอย่างคนแล้วก็มากกว่าทุนนับเยออีกใชนไหมอาที่ไปท่านนอนนี้บ้านท่าก็เกิดความรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาในใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความลำคาไม่มีอะไรอดูก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเป็นเหมดความที่ไม่ได้อย่างกบอย่างใจในวันหนึ่งนั่นก็มีมากอย่างเป็นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไมนถึงกัเป็นเป็นตายเลยไม่ใครจะสนใจไม่ ถึงกับนำมาเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาท่านขอให้ประธานว่าเราจะเป็นผู้ไม่บุญิตจะเป็นผู้ไม่ยำคานไม่อิจฉาขัดใจใต่อสิ่งได้ทั้งหมดทั้งสิ้นจนตลอดคาสาแล้ววิธีรักอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะันสูงสุดในพุทธศาสนาได้เหมือนกันนี้เราจะมีความอิจฉาขัดใจนั่นนี่แล้วคับอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเดียวปวดฟันเดียวป ว, ว, ว, วท้องเดวท้องหมดีเดียวร่างกายอย่างเดียวมันก็มีอยู่มากามานมีอยู่หลายอย่างแล้ว ที่จะไปเล่นเหล้าอืนๆที่ยะกำลังกรรมมาก็ยังมีอีกมากสิ่งภายนอกที่เราหํามไม่ได้ก็ยังมีอีกมากให้บวกําคาญหรืออึดัดหมุดหิดกับสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นคนบาปนะเพราะมันโง่เพราะมันโง่จึงมีบาปมาลุ่มลุมมากเป็นขนาดนี้ถ้ามันจะหลัาดในบาปเหล่านี้มันก็มาทําอะไรไม่ได้ขึ้นอาจมาได้ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างธรรมดาที่เกิเกิดมันก็ไปทําำหมุดหิดลำคานตุ้มตั้งได้ธรรมะที่เป็นความฉลาด มันป้องกันได้นั่นลักษณะอย่างนี้ให้ความทุกทข์ทันไล่ทำมากระทบติดใจไม่ได้จะ้ามามันก็ต้องกระเด็นออไปไม่ทำไปทําอันตรายติดใจได้แม้แต่น้อยเลยฉะนั้นคนทุกคนที่มีหน้าที่้อ ง, งต้นตนแต่การมันอยู่มากมายหลายชนิดเป็นผู้หิงก็มีเป็นผู้ชายก็มีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนใหญ่คนเาวกม้ในหน้าที่การงานนี้ก็ยังมีแต่ต่างกันทำต้นทํานาทนํ า, ทา ร, ารหรือว่านี้แต่วัานไหนบ้านเดิมหนึ่งก็ยังมีการทําหน้าที่ต่างๆกัน เป็นแม่กลัวกมีเป็นคนทักพาก็มีให้หลายหลายอย่างต้นแต่มีทางที่จะเกิดตามบุญกิจด้ในกันนั้นเป็นความปันปวนในส่วนตัวก็วท้อความปันปวนแห่ในส่วนรวมหรือกว้างออกคอยจนไม่มีอะไรดีจะสงบรั ง, งับ <c oughs> หรืออยู่กันเป็นอาสุกได้ที่ลราคิดดูเสริ์ว่าถ้าเรารู้จักทำสิ่งที่ถือว่าเป็นความทุกข์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสียได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีแก่บุคคลใดเลยพิจารณาดูดีเลยเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลือดที่ใส นันจะทําไม่ได้แล้วกับพระโกลก้ฉันลือวิสัยแต่สำหรับคนโกลแต่มันเป็นของง่ายได้สำหรับคนที่มีสติปัญญาจะเฉียวตลาดนั่นก็เป็นพุทธบริษัทของสมมาทุตตจารแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องที่เรานี้ก็จะต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั้นกระยวสิ่งเขาได้คำนวณว่าขีพงือฝุ่นทุลีขีพงนี้มันไม่มีความหมายอัไรเลยนีม่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้เราเดือดร้อนได้เมื่อได้มื่ใดมีปัญญาถ้าเชิญกระสิ่งทั้งหลายทีเป็นความให้พอใจในลักษณะดังที่กลมานี้เหมือนนนนั้้โลกีก็จะไม่มี อะไรที่เป็นปัญหาทั้งเราบุคคลกูนัน่นนะอะไรอะไรก็เป็นเรื่องสนุกสระโดดทำมีดบาดมืงก็สนุกทาน้ำไปไกลข้าวตาก็ออยังสนุกแต่ถ้าคนโง่คงทําให้ได้คนที่ทำํำงานก็ยังมีความผิลดลับนั่นนี่อยู่ทุกเป็นประจําวันที่วัาตะปูตีเอานิ้วมือของตนคมมีอยู่บ่อยๆอยันนี้อาาะไรกาได้มันก็เป็นเรื่องสนุกเหมืกัไปดูละครเะนิทเดิมเซนี้มันให้มีสติปัญญาที่ทาได้เป็นหนักนั้นมันกตกนรกเป็นสัตว์นรกคือลื่นล้มไปความบปวด มันกาเป็นยักษ์เป็นมารหรือมันโกรธขึ้นมามันควัน ง, งเพลิงไหม้เพลิงมือแต่กระจายเสียหายไปเสียอีกมันตนํางรักจริงที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์เลยเป็นรักษ์เป็นมารไปบ้างหรือว่าเป็นสัตว์นโกเป็นสัตว์เลี้ยงานไปบ้างเพราะความโกรธบ้างเพราะความโงโ่ก้างเพราะอะไรอะอีกหลายอย่างแม้ว่าความจริงมันจะมีอยู่อย่างนี้อันก็ไม่มีใครสนใจไป่สนใจแต่ทางที่จะให้มันเพิ่มความทุกข์สิ่งที่ไม่ควรจะเป็นทุกข์นั่นก็กลายเป็นทุกขึ้นมา สที่เป็นทุกข์อยแล้วต้องเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีวนนันหรือไม่มีโอกาสที่จะสนใจรัสิ่งที่เป็นสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ <c oughs> เป็นคนขาดตุนเป็นคนผิดพายล้มละลายอยู่จนตลอดชีวิตพ้องมีแต่ความเสียให้มีความได้ถ้ารู้จักเปลี่ยนจิตใจเสียแต่น้อยหนึ่งก็งนั้นในความเสียก็ะจะกลานความได้ความทุกข์ก็จะกลายเป็นความสุขเพราะถืาเสีสิ่งที่หรืเ อ, อเป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นมากมายในวันหนึ่งเงิ น, นหลัมาเป็นบทเรียน กาทําอะไรแปลกปทีหายมันก็มีคนจับจองเป็นทุกคนจะถือเอาเป็นการตลาดต้องระจะไม่ทำเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปถ้าว่าทุกเขาคำวุ่นเขามันจะเป็นทพิจิตตองเป็นทุกทุกคนจะฉลาดในการที่จะรือเอาประโยชน์ให้ได้มากมายหลาชนิดคือตลาดในการที่ทำเขาขโวุไม่ได้อีกต่อไปจนกระทั่งถึงว่าเขาขำวุ่นไปเสียปารีในกันไม่รู้จะมองก็ไม่เห็นแน่ดีที่จริงการที่ถูกขโมย่นใช้บ้ากนี่มันก็มีส่นดีคือมาลายความเห็นกับตัวได้ไม่มากกว่็น้อย แต่นี่มันโง้มั่นหมายถึาหมายถืเป็นโอกาสสำหรับทำลายความเป็นตัวมายือเอาเป็นโอกาสสำหรโกรธอาฆาตพยาบาทอย่างนี้มันก็ยิ่งเพิ่มความเป็นตัวมันจะมีความทุกหมากขึ้นแล่วต้องถูกต้อมาถูกครางเอาเปรียบหรือเมื่อแพ้คดีหรือแพ้การต่อสู้อย่างไดอย่างหนึ่งเสมือนกันเอามานอนไปทุกข์ตามแบบของคนโน้ไม่รู้จะทำอะไรมให้มันเกิดความเสียเยอะเลาดจนไม่ต้อประสบผลอย่างนั้นอีกต่อไปสมมว่าคดีไมยบ้านเลยหมดสิ้น มันั่งทดลองดูนั้นมันจะเป็นประโยชน์อะไร <c oughs> คนบานคนมีความทุดลองอมากถึงกับจะตายไงตามไปตามบ้าเรินที่ายใหม่นั่นไปก็มีแต่บาคนเขคิดเป็นคิดถูงซัวเลาะราเงินต่อนก็มี <c oughs> แต่ว่ามันน้อยมากแม้มเราจะหัวเลาะพราะความบ้าบินอย่างได้อย่างหนึ่น <c oughs> มันจะยังดีกว่าคนที่มานั่งเลาะให้ท <c oughs> ี่นั่นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคนเขายู่แต่หัวเลาะเยอะ ด, ด้วย <c oughs> ไม่เห็นเป็นทางเลาะให้คนคิดต่อไปว่าเราจะทาอะไรต่อไป ถ้าเาอย่างนั้นมันก็ดีที่สุดแล้วรืจะมีอะไรไป็นความวิบัติอย่างอื่นเหมือนตัวไฟ่หมหรือว่าอยู่ยินไปกว่ออาไฟไหมมันต้องคิดอย่างเดียวกันเท่านั้นเรื่ความในจุดเพราะว่าอะไรที่ยิ่งทำให้มีความรุนมากอันนั้นจะต้อท้าให้มันเป็นเครื่องที่นําความฉลาดมาให้นมากถ้าทําไม่ได้อย่างนี้ให้ถือเป็นคนโง่นี้เรามาดูปัญหาที่อาจจะมีต่อไปว่า เราจะมีแห่งธรรมะบทไหนข่าไหนที่มาช่วยเป็นไปในลักษณะที่ต้องการนั้นได้น้าท้าไม่มีธรรมะบทไหนนไปจากธรรมะบทที่เรียกว่าสติเพราะิงที่เรียกว่าสตินี่มีความหมายกว้างขวางหรือรูปธรรมมีหลายชั้นหลายระดับแต่รู้ตามแล้วก็ออาจจะกล่าวได้ันเป็นแต่ความสันส้นๆว่าคือสติปัญญาที่มีอยู่แล้วก็วิ่งมา ท, าทันทวกทีในการที่จะแก้ปัญหาท่านนั้น หรือเผชิญกันกับสิ่งที่เป็นอันตรา ย, ยานั้นนคนที่มีปัญญามากแต่ไม่มีสตินั่นก็เหมือนกับไม่มีปัญญาหรือนั่นเองหรือปัญญามันเป็นมันมันมาช่วยอะไรกรันตกรีไม่ได้ปลดนึกออก mm hmm. เหมือนกับคนไปเสียแล้วไม่สามารถใช้ความรู้นั้นให้ทํากับเหตุการณ์ได้เลยด้นนี้เพระขาดสติถึงแม้ใ น, นกรณีที่ว่าเราจะพิกความคุกให้กายความสุขนี่ก็เหมือนกันคือต้องการสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นแหละมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถ เป็นไร่ไกลผลีได้ปัญญานั้นมันคูอสติเพราะว่าสติทํามีปัญญาก็ไม่ก็เป็นสติไปไม่ได้ผิดแต่น้อยเดียวที่ว่านองอยู่เฉยเฉยเฉยกว่าปัญญาหรือออกงหนอยู่เฉยเฉยยกว่าปัญญาแต่ถ้าเราคาดันธุ์สุีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อเปนสติเรียกว่าอะไรหน่อยหึ่งว่าสัมปชัญญะเรียกว่าสติสัมปสัญญะถ้ามีสติสัมปสัญญาแล้วไม่ต้องพูดขึงปัญญาก็ได้ผลรมายความว่าปัญญาอย่างเต็มที่รวมอยู่ในคําคํานี้พราะนี้สติสัญญาาสมปช ไอสิ่งต่างๆลักษณะที่จะไม่เป็นฝ่ายภายแท้คิดว่าเขียนร่าให้ครนดีได้ทำจนดีตามต้องการนั้นจขอชวนทำแต่ร้ายสนใจในสิ่งที่เรียกาสติขาสติเมื่อไรก็งงเหมือนนั้นขาสติเมื่อไรก็ไม่รู้จักการรักเลนนั้นขาสติเมื่อไรห่นั้นก็ยินดีร่ายไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบเหมือนนั้นรู้คว่าขาสติเมื่อไรทาสิ่งที่ไม่ควรทาเหมือนนั้นแล้วก็เลยทแต่ในทางที่เป็นความทุกข์อย่างเดียว ให้สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นไหนความไม่ทุกข์ได้ <c oughs> เรื่องนี้สำคัญมากคือเปลี่ยนสิ่งหนึ่ง เ, เปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้ลายเป็นสิ่งสิ้นจนกันข้ามไปนี่แทบจะไม่ดีใครเชื่อเพราะว่าคนไม่รู้ไปรู้จากสิ่งนนั้นดีนั่นเองคนไม่จากความทุกข์จึงได้เป็นทุกข์จึงเป็นทางราหายอยู่ถ้าคนตัะฉา พ, า พ, อพ่อคือรู้จากความทุกข์นั่นก็สามารถที่จะตให้ความทุกข์นั้นจะเดินออกไปได้หรือเราจะเอาไว้ก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอย่างอื่นไปคือไม่ใช่ความทุกข์ ให้นกลายเป็นนินชาคามรู้หรือความเจริญากหรือความแข็งแกร่งหรือความสามารถหรืออะไรก็สุดท้แต่ว่าสตีปัญญานั้นมันจะทำได้อย่างไรนี่แหละความสาคัญที่เล่นลับอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพอระพุทธเจ้าที่ตปนประทานสิ่งสิ่งนงให้ทั้งหมดจะไม่มีความทุกข์ทั้งที่ว่าทั้งฐานร่างกายนี่มันเป็นทุกข์ก็จะทให้มันไม่เป็นทุกข์ไม่ปรากฏเป็นทุกข์หรือว่าโลกทั้งโลกมันจะลุกไปไ เราก็ไม่มีความรู้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่เชื่อเรื่อแถมนจะเป็นแถผู้ที่อยู่ในบัญชีที่ในภาครั้งนี้เปนถ้าเป็นเล่นอยู่ระยะสั้นไปกําลังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในคําสอนของพระองค์ท่างที่มาบวชเป็นข้าเป็นเน่นแล้วมันยังไม่รู้และไม่เชื่อนั่นตรงี้รามฟัไปถึงกรว่าพระพุทธเจ้ามาพูดอย่างนี้ใครจะเอามาพูดให้าัมันก็ไม่เชื่อแล้วการที้ชาดหลักศีลฉันรับมหาประเทศเป็นต้น วันเป็นหลักข้อตัดสินมันก็ทาไม่ได้เพราะมันไม่รู้อะไรเลยการใช้ชหลักาหาประเทศหรือการรามาสูตรเป็นต้นมาเป็นเ้นตัดสินว่าคำพูดนี่จะเป็นคำพูดของประพุทธจ้าจริงหรือไม่นั้นมันตน้องมีเดิมพันหรือมีคุณรอนอะไรอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเยเคยยินเคยฟังเคยเยนเคยคิดนึกคิด้ได้ผ่านมาแล้ว อ, องคูว่าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรพระพุทธทเจ้าท่านได้ตัไว้ถ้ามันเจอความสงสัยในข้อใดขึ้นให้เอาปัญหานั้นมายังดูในสูตมา่อสวนกับวินัยถ้าไม่รู้เรื่องสูตรไม่ร จากปัญหานั้นมาอยาังดูหรือมาสอบสวนดูในสูตรในวิ น, นันยต่างๆอะไรกันนี่แหละคืขขอข้อที่ว่าเราจะต้องไม่ปรมาทเชื่กันแฝงเบื้องต้นพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจว่าวินัยเป็นอย่างไรสุดตรึเป็นอย่างไรก็เกิดัญหาอะไรมาก็สามารถนำมาเทียบดูได้เพรายัางไงเอ่จะเป็นคํำของพระพุทธเจ้ายัางไงจะไม่ใช่คํำของพระพุทธเจ้าดั่นี้เป็นต้นแล้วเมื่ด้ยินคำว่าผู้มีปัญญาสามารถแกหาความสุขได้ถึงที่เป็นทุกข์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องอาศัยหลังนี้ทีนี้มันคงมีปัญหาใน ไม่รู้ว่าจะสุดข้อไหนหรือในข้อไหนมาเป็นหลักสําหรับจะอาทิตษฐาะเพี้ยนหรือจะยังหรือจะสอบเพราะมันมีอยู่มากเลยทันหลักเกณฑ์ข้อห น, หนึ่งนั้นมันจะมีความหมายซับซ้อนหลายชั้นถือ้เอาไปตามตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างหนึ่งถือถืตอตามตวความหมายมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งเช่นว่าจะถือตามตัวหนังสือว่ า, าขั้นขั้เป็นทุกข์ก็จะถือเลยว่ามันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้หรือว่าเราไม่มีวิธีทานที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขั้นขัชนิดนั้นในลักษณะที่เราไม่ก้อเป็นทุกข์นี่มันคนละคลัะดู เร้องระวังให้ดีว่าทหารทั้งหายทั้งวงเป็นทุกข์แล้วก็มีวิธีที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงหารเหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องเป็นท kind of ุกข์ทหารทั to to ้งหลายมันจะเป็นทุกข์ในทารประทางใจมันเราไม่เป็นทุกข์ไปแล้วกันเพราะว่าเรามีวิธีที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าทำแน่ให้เพราะเราไม่มีความทุกข์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์หรือเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเดี๋ยวนี้ไม่ทันอะไรยังใครรอดหายหมดร้อยรอดห้ยเขาด้วยนี่มันมีความปเคยช หรือว่ากองกันไม่ให้ตนต้องเป็นทุกข์เพื่อจะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่มีหน้าทีไใดกว่าจะพยายาม응ศึกษาคือเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้มันเห็นจริงเห็นจังกั น, กนทีทีว่าถ้าทําอย่างนี้ทําอย่างโน้นทำอย่างนี้อย่างให้มันจะดีกว่ามันจ ะ, ะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นผู้กล้ า, าเผชิญกันเท่ากับสิ่งที่เป็นทุกข์ถือเอาเป็นบทเรียนสําหรับที่จะเรี่ยนให้เป็นสิ่งที่ไม่มีความทุกข์สำหรับเรานี่เือว่าถือเอา ความหมายของคําสังสอนของพระพุทธเจ้าด่างถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ถ้ายึดมั่นถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าในยึดมั่นถือมันมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์สำคัญอยู่ที่ว่าท่นจะมีสติัเป็นสัญญัคพอรู้สึกตัวพอในการที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมันหือไม่ถ้าในขั้นนี้ลาบร่างกายก็อย่าได้เสียใจถ้าความเสียหายหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นและมาศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสําหรับจะไม่ตั้งพลาดอีกต่อไปเลยเป็นได้กาไรอย่าล้วง ใช้ามสำคัญมัอยู่ทันจําว่ามีความยึกมั่นถือมันในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์ประเหตุนั้น <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามันต้องมีนั่นมีนี่ต้องเกี่ยวข้องกันเกี่ับสิ่งนั่นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่เปลอไปยิบมันหรือมันเท่าพี่เ่นั้นเองที่ศึกษาที่ดีก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการย้อนระลึกไปถึงสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆแต่ผนหลังที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันจะสอนได้ดีว่าที่จะมานั่งฟังเทศอยู่ที่นี่เอพิ่างนนัเอง มันจะเข้าไปจึงจิตใจแล้วจะได้ความจริงอะไรไม่ได้มากนักแล้วยินไฟังแล้วก็เอาไปคิดไปพิจารณาเข้ากับสิ่งที่เราได้ผ่านมาแล้วแต่ข้างหลังมันเป็นความปิดก็มีความสุกก็มีความทุกข์ก็มีความสุกก็มีช่วยกันรู้จักแหตุความสุขกับความทุ ก, ก ข, ก ข, ขกนน์นั้นว่ามันเป็นอย่างไรมาจากอะไรเพื่ออะไรจะแก้ไขได้โดยวิธีใดจะชาติหนึ่งเป็นประโยชน์อแทนที่จะเป็นโทษได้อย่างไรในพระวาลีสูตรหนึ่งมีข้อความว่า ศรัทธาตั้งอาศัยอยู่บนความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์เราจะมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่จะตัดทุกข์รวมทั้งพระพเจาคำอหรือวิธีการใงๆแต่รวมทั้งล้มันก็อยู่ที่พระธรรมคาเดียวนั้นพระพุทธเจ้าไปอยู่ในคาว่าพระธรรมถ้าคำไปอยู่ในคาว่าพระธรรมสไปอยู่ในคำว่าพระธรรมอะไรอีกมากเรวมอยู่ในคำคาเดียวว่าพระธรรมถ้าเรามีความทุกข์เราจะศรัทธาในพระธรรมถ้ามีความทุกข์เราจะบ้าไปในทางอื่นจะบ้าบอเลเกนเลเิดเลไปในทางอื่น ไม่มีศรัทธาในพระธรรมเดี๋ยวนี้ความทุกข์นั้นละมันทําให้จําเป็นที่จะต้องค้นหาที่พึ่งที่สันตานจึงหันมาหาพระธรรแล้วก็มีศรัทธาในพระธรรมําหวในที่จะปฏิบัติคือต่อไปเพื่อต่อต้านความทุกข์นั้นท่านในความทุกข์นั้นมันมีอะไรดีพิเศษอยู่อย่างนี้คนโบราณบางคนเขาพูดว่าในพระธรรมเขามีเพชรลอยที่แสนจะพิเศษเ ส, สุดๆอยู่ในนั้นคนกเกียรทางเขา คือว่ามีเพ็รลอยในหัวางก็ไม่อยากจะเชื่อน่าจะเชื่อไม่อยากจะไปฟัเข้า ม, มาเพราะวมันเปียกทางกบความทุกนี้นเหมือนขังก็ในบัวทางก็นั่นมีนนแตชรอยถ้าเราเสียงจริงฉลาดกินแล้วก็พักเพชออกมาจากหัวขังกบคือตัวความทุกนั้นได้เพื่อนตรงกันนี้ก็หมายความว่าเราจะควักสัญพานออกมาได้จากความทุกข์หรือังกบที่สัสนจะนาเบื่อท่นเองความหมายนี้เยังคงเดิมอยู่ว่าจะหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ ทุกที่ไหนต้งหาความดทุกข์ที่นั่นเป็นที่อื่นไม่ได้ย้อนไปคบมันทุกที่ตรงไ้นต้องหาความดทุกข์ที่ตรงนั้นเมื่อดับทุกข์ออกไปมันก็เป็นนิพพานได้ที่ตรงนั้นท่านนี้ที่วัดนี้นราีสระพระเท่านาลิกเกอสำหรับเป็นเคลื่องเตือนใจในครานี้พูดกันแรกผู้กันอีกคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วใครไม่เข้าใจก็เป็นทางบไปก่อนกัลเพราะขุดมาหลายท่านหลายผลแล้วว่าพเท่านาิกเกอารทะเลที่ขึนนั้นเป็นอย่างไรท่นมีคำถามว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนคาับทุกข์อยู่ที่ตรงนั ดังั้ให้หาปฏิภาณให้พบจากข้างกลางแห่งวัฏสงสารนั้นเองนี่แหละคือผู้ที่มีปัญญาสามารถหาพบความสุขได้ในสิ่งที่เป็นความทุกข์ดันติวิสัณนามาเพราะนวัตธรรมางทุกคนจะติดทัทงจิตในการที่ว่าตลอดวันศาานี้จะมีวิธีปฏิบัติในรัตนะที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หรือไปความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะใหยายก็